สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นชีวิตพระเยซูครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก็คือครั้งที่หกร้อยพี่น้องครับเรารู้จากพระเจ้าของพระเจ้ามาโดยตลอดและจากพระเจ้าของพระเจ้านั้นทำให้เรารู้จักชีวิตของพระเยซูลและรู้ว่าพระเยซูเป็นใครแม้ว่าพระกัมภีนั้นจะไม่ใช่ําราทางวิทยาศาสตร์ แต่ก็ถูกต้องพระพิธีได้บรรยายว่าพระเยซูนั้นทรงอยู่กับพระบิดาเวลาที่พระบิดาหรือพระเจ้านั้นทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพี่งครับที่เรารู้เรื่องนี้ก็เนื่องจากว่าพระอภิษได้เขียนไว้เวลาที่เราพูดถึงจั ก, กรวาลทางกายภาพพี่น้องครับหลายครั้งคนในยุคนี้ไม่ได้เชื่อว่า พระเจ้าทรงสร้างโลกในการดูกันครับก็ไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูทรงสร้างโลกด้วยเหมือนกันเราจะพบว่าในความคิดทางวิทยาศาสตร์ในสมัยโบราณนะครับเป็นผ่านปีเชื่อว่าโลกแบนความคิดนี้ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์หรอกครับให้เรามาดูกันนะครับว่าเพื่อนพีได้พูดถึงเรื่องของโลกกลมโลกแบนอย่างไร ในพระธรรมอิสยาบทที่สี่สิบข้อยี่สิบสองพระเจ้าประทับบนบันลังเหนือเส้นรอบวงของโลกเพื่อนรับโลกกลมหรือโลกแบนครับพระเจ้าทรงแขวนโลกไว้ในที่เวงว่างโลกกลมหรือโลกแบนครับทรงทรงให้โลกเนี่ยลอยอยู่แขวนไว้ในที่เวงว่าง เช่นเดียวกันครับในก้นทะเลสมัยก่อนนั้นเขาก็ชเชื่อว่าก้นทะเลนั้นมีรูปร่างคล้ายกับถ้วยขนาดใหญ่จนถึงเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเราพบว่ามีภูเขาอยู่ในทะเลอยู่ใต้ทะเลเหมือนกับพี่โยนาบที่สองข้อหกบอกว่าข้าวิององ จมลงมาอย่างรากภูเขาแผ่นดินเบื้องล่างขังคาโรวงไว้รากแห่งภูเขาคืออะไรครับก็คือก้นทะเลครับที่จมอยู่ในน้ำในสเมเอวอที่ยี่สบสองข้อสิบหกยังบอกว่าหุบเขาในท้องทะเลก็เผยออกรากฐานของโลกก็ปรากฏพี่น้องเห็นไหมครับว่าปังพีนั้นไม่ได้ขัดแยง้งกับวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ในขณะเดีกันครับตอนช่วงปีพันแปดร้อยนะครับมีคนหนึ่งครับซึ่งเป็นนักภูมิศาสตร์ชิมัตชิวมอรีเขาได้วาดภาพกระแสน้ำในมหาสมุทรและกระแสลมโดยไ ด, ได้รับแรงบนันดาลใจจากพระคำพีที่ว่าหมู่นกในอากาศปลา และสิ่งมีชีวิตทางปลงในทะเลอันนี้อยู่ในสุดีบทที่แปดข้อแปดครับแล้วก็พบในปัญญาจารย์บทที่หนึ่งข้อหกบอกว่าลมพัดไปทางใต้แล้วมาทางเหนือมันพัดวนไปเวียนมาเป็นวัฏจักรพี่น้องครับพระเจ้านั้นทรงสมบูรณ์แบบและทรงห่วงใยเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างพระเยซูก็เป็นเช่นเดียวกันและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็เป็นเช่นเดียวกันครับในหกวันที่พระเจ้าทรงสร้างสรรค์มนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการท ร, รงส ร, ร้างของพระเจ้าและเราจะพบว่าพระเจ้านั้นทรงห่วงใยพระเจ้าเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมครับไม่ว่าจะเป็นพืชไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆเพื่อที่จะเซิร์ฟเซิร์ฟมนุษย์ ให้เราอยู่ด้วยความเอนจอยหรือความเบิกบานหนึ่งทิโมธีบทที่หกข้อสิบเจ็ดพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งให้เราอย่างบริบูรณ์เพื่อความเบิกบานใจของเราพี่น้องครับพระเจ้าทรงห่วงใยเราครับพระเจ้าผู้สร้างพระเยซูผู้สร้างพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สร้างผู้ทรงเนืมิตรสร้างโลกที่ให้ความสุขสะดวกสบายเนีเป็นพระเจ้าที่ห่วงใยเราทั้งหลาย จนกระทั่งความบาปให้เข้ามาในโลกครับพระเจ้าก็ยิ่งห่วงใยเราพระองค์ได้ทรงเตรียมพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ผู้ที่ร่วมสร้างกับพระองค์ก็คือองค์พระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้พี่น้องครับพระเจ้าเตรียมทุกอย่างให้กับเรานี่คือแผนการของพระเจ้าแม้กระทั่งความตายขององค์พระเยซูคริสต์ความตายขององค์พระเยซูคริสต์ก็เพื่อที่จะกาจัดความบาปของเรา ให้เรากลับไปมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์อันเนื่องจากความห่วงใยของพระเจ้าครับพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งให้เราอย่างบริบูรณ์เพื่อความเบิกบานใจของเราครับไปเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่อที่ให้แผ่นดินโลกนั้นเต็มไปด้วยความรักมั่นคงของพระองค์อย่างแท้จริงในภาคปฏิบัติครับความรักมั่นคงของพระเจ้าได้สำแดงออกผ่านทางพระเยซูและจะทรง ตั้งอยู่ํารงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์การจวบจนนิรันดร์การความรักนั้นเป็นพระลักษณะของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ความรักเป็นส่วนของวิถีที่พระองค์ทรงเป็นอยู่และธรรมชาติพลักษณะของพระองค์นั้นก็คือความรักพี่น้องครับในครั้งสุดท้ายของคริพระเยน จริงๆแล้วคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เราจะเอ่อยถึงพระเยซูแต่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราทั้งหลายจะต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะเหตุที่ว่าเราได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเยซูมาถึงหกร้อยตอนเลยทีเดียวและเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ได้ให้กําลังกับผมในการที่ผมจะสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้ท่านฟังผ่านทางไลน์ ผมเองงั้นได้รับประโยชน์มากที่สุดเท่าเๆกับท่านหรืออาจจะมากกว่าท่านเพราะว่าเป็นคนเตรียมแต่ผมอธิษฐานขอให้สิ่งที่ผมได้ทํารับใช้พระเจ้าจะเป็นเหตุที่พี่น้องจะได้รับประโยชน์จะได้รับการเสริมสร้างและเติบโตฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณและรู้จักกับพระเยซูมากยิ่งขึ้นครับขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทุกท่านเพื่อที่ว่า ความจริงต่างๆที่ปรากฏอยู่ในทั้งหกร้อยตอนนั้นเราเองจะมีความรู้ในเรื่องพระบุตรของพระเจ้าครับเราเองจะมีความซาบซึ้งจะมีความรักและตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์อย่างถูกต้องเพื่อที่ชีวิตของเราจะอยู่อย่างมีความหมายในโลกนี้อย่าลืมครับพี่น้องครับ การที่เราจะอยู่ยังมีความหมายหรือไม่มีความหมายอยู่ยังมีความหมายหรือไร้ความหมายมันเกิดจากการที่เราอยู่ถูกที่ถูกทางถูกตามน้ำมัทไธของพระเจ้าหรือไม่พี่น้องครับบางท่านบางคนอาจจะสาระวนกับสิ่งต่างๆในโลกนี้แต่ขอให้เราเหมือนกับพระธรรมมัตติวบทที่หกนะครับข้อสามสิบสามให้เราแสวงหาแผ่น ด, ดินของพระเจ้าด้วยความชอบธรรมของพระองค์ก่อน และพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ท่านกำลังแสวงหาอะไรอยู่ในโลกนี้ครับนี่วิญญาณจิตของท่านอาจจะยังไม่เติบโตอาจจะยังเป็นทารกฝ่ายวิญญาณขอให้เรามีคุณลักษณะคุณสมบัติของคริสเซียนที่ดีก็คือพร้อมที่จะกับใจเสมอเมื่อได้รับคำเตือน ขอความรักของพระเจ้าที่จะดำรงอยู่ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนครับให้เราพร้อมที่จะกลับใจเสียใหม่พร้อมที่จะตอบสนองต่อพระคุณและความรักของพระเจ้าอะไรที่เป็นสิ่งในอดีตผ่านพ้นมาแล้วและมันไม่เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ในชีวิตของเราก็ขอพระเจ้าหยิบยกจากชีวิตของเราออกไปไห้มันมีสิทธมีส่วนเราจะต้องมีชีวิตเหมือนกับท่านอาจารย์ เปาโลหรือคาทุ่ดเป่าโลเพาข้าพเจ้าลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะให้สิ่งที่ผ่านพ้นมามีผลทางลบต่อชีวิตของข้าพเจ้าเห็นโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้านั่นหมายความว่าให้เรามีชีวิตตามการส่งนําของพระเจ้าตามการส่งนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์จากการที่มีเรามีจิตใจมีท่าทีตอบสนอง ตอบสนองปรารถนาที่จะตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าครับปราปรถนาที่จะตอบสนองกับการสิ้นพชนของพระเยซูและดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวังอันเกิดจากการเป็นขึ้นจความตายการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูนั่นเองและเราจะเข้มแข็งอดทนต่อสิ่ ง, งต่างๆโดยอาศัยพระคุณและความรักของพระองค์เพราะเรารู้ว่าจะมีวันหนึ่งที่พระเยซูจะเฉด็จมา และรับเราไปอยู่กับพระองค์อย่างแน่นอนขอพระเจ้าอวยพรและทรงช่วยเหลือพวกเราพี่น้องและตัวผมเองให้ได้มีความยืนหยัดมั่นคงในความรักตอบสนองต่อพระองค์อย่างถูกต้องและปรินาตัวในการรับใช้พระเจ้าอย่างศัตดิ์สิทเพื่อที่ในที่สุดนั้นผมและพี่น้องทุกท่านจะรับคำชมเชยจากพระเจ้าของเรา ว่าเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตว์สื่ออเมน